แต่ก็เกิดเข้าไปไข้ครัวในลักษณะว่าเส้นผมในอดีตชาติถึงชาตินี้ไหมไม่ถึงนะหมดไปแล้วในอดีตชาติอะ่ะเอาแ<ม>ล้ว เ, เส้นผมเมือ่อชาตินี้จะถึงชาติหน้าไหมไม่ถึงถ้าจะมีชาติหน้าอีกแล้วเส้นผมจะไปถึงชาติต่อๆไปอีกไหมไม่ถึงลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเริ่มตีรนปริญญาแล้วก็ต่อไปว่าเอ้เส้นผมเนี่ยนะอายุสิบปีแรกกับสิบปีที่สองไงนะเส้นผมเหมือนเดิมไหมไม่เหมือน นเส้นผมสิบปีที่สองกับที่สามเหมือนกันไหมไม่เหมือนสิบปีที่สามเหมือนสิบปีที่สี่ไหมสิบปีที่สามกับที่สี่ระหว่างกันนัมันมีสีขาวสลับเยอะแล้วนะสิบปีที่สี่กับที่ห้าก็ไม่เหมือนกันอีกที่ห้ากับที่หกที่หกกับที่เจ็ดที่เจ็กับที่แปดที่แปดกับที่เก้าที่ถ้าสิบปีที่สิบเนี่ยนะเหลือไม่กี่เส้นแล้วนะหมดไปเยอะแล้วทีนี้ก็มาถอยอีกนะ เส้นผมระยะปีต่อปีนี่ก็มีความแตกต่างกันนะถ้าสมัยใหม่ด้วยนะวันต่อวันนี่ก็แตกต่างนะทรงผมก็คนละทรงมาเลยนะก็มีความแตกต่างกันไปตามนั้นก็เริ่มเกิดการใคร่ครวญถึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งเท่านั้นแหละนะการใคร่ครวญในลักษณะนี้เป็นลักษณะของตีรณะปริญญาแล้วก็เริ่มไปวิจัยจนถึงละเอียดลึกซึ้งจนถึงว่าถ้ากรรมหมดเนี่ยนะผมนี่จะอยู่ต่อไหมไหม กรรมบางอย่างเช่นกรรมบางอย่างที่เราเคยไปทําให้ใครศีรษะร่วงไว้เนี่ยถ้ามันให้ผลเนี่อร่วงคันทีเลยเนี่ยนะถ้านี้กรรมมัสมุทฐานถ้าอาหารบางอย่างผิดพลาดเนี่ยร่วงทันทีเหมือนกันถ้าจิตบางอย่างเกิดขึ้นมากๆผมก็เปลี่ยนเองเหมือนกันเจริญพรถ้าอุตุอะอุตุนี่กรอบเลยเขามีคนคนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาเอาน้ํามันช้างไปต้นเนี่ยมาทาศีรษะเนี่อร่วงทั้งหัวเลยนะก็บอกว่าอ่านะ คนเรื่องจริงเพราะว่ามีมีคนอย่างนั้นนะไปไปตัดผมแล้วก็ไปโกงค่าจ้างทีนี้วันหลังไปตัดใหม่ช่างก็เลยเอาน้ำมันเนี่ยมาทาร่วงหมดเลยหลังอย่างนั้นไวแต่ทีนี้ก็ถ้าเป็นหมอก็เอายาบางอย่างมาป้มก็ขึ้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นการพิจารณาไข้ควรโดยตีระนะอย่างนี้บ่อยๆเสร็จแล้วก็ตามเห็นถึงความไม่เที่ยง แล้วก็ตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์แล้วก็โดยตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาแต่การที่จะตามคข้ครัวในลักษณะนี้นี่จะมีผลมากเมียในสองมากก็เกิดสลับกันจเจริญสลับกันระหว่างสมถานิมิตกับวิปัสสนานิมิตใคร่ครววโดยวิปัสสนานิมิตมากๆอาจจะเหนื่อยก็จเจริญสมถานิมิตจะสงบ น, นะก็ที่เดียวกันนั่นแหละก็สลับกันไปสลับกันมาในลักษณะนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะ เขารียกว่ากําหนดโดยคนละอย่างไงสิ่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ที่ความคิดนะพูดอีกนายหนึ่งอะผมเส้นเดียวกั น, นอีกคนหนึ่งโอ้โหโลภะเกิดมากนะอีกคนหนึ่งโทสะอีกคนหนึ่งมหากุศุเกิดคิดไม่เหมือนกันว่างั้นก็คืออยู่ที่ความคิดไอความคิดที่เป็นไปที่ชอบทำนั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนัสการทีนี้ที่บอกว่า ในพระสูตรนี่บอกว่าวิปัสนาเท่านั้นวิปัสนาเท่านั้นเนี่ยนะก็มัตตสัพเนี่ยมีการห้ามความต่างๆคืออาจารย์ย่อมห้ามสมาธิที่มีความต่างกันซึ่งมีประเภทเป็นอุปจารสมาธิและอั ป, ปนาสมาธินะมิใช่ห้ามแต่เพียงสมาธิเพราะกระทำคำอธิบายว่าคือผู้โตพรเนี่ยกล่าวถึงวิปัสนาคือในขณะนั้นไม่ใช่สมาธิแต่ เป็นเทศนาสําหรับพระโยคาวจรที่เป็นวิปัสนาญาณิกะคือคนที่ประสงค์เจริญวิปัสนาล้วนๆผมเส้นเดียวเนี่ยนะบางคนเนี่ยเจริญสมถะกับวิปัสนาคู่กันได้บางคนนี่วิปัสนาอย่างเดียวผมอย่างเดียวบางคนสมถะอย่างเดียวบางคนทั้งสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปจริงอยู่เว้นคณิกะสมาธิเสียวิปัสนาย่อมไม่สําเร็จ ที่จริงอ่ะในขณะที่วิปัสนาเกิดขณะนั้นก็มีสมาธิอยู่นะทีนี้ก็คําว่าวิปัสนาเพิ่งทราบว่าอนุปัสนาทั้งสามอย่างไม่ใช่อนุอนิจานุปัสนาอย่างเดียวเพราะการตรัสรู้สัจจะย่อมมีด้วยเพียงการเห็นความไม่เที่ยงก็าหาไม่ได้เห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวบรรลุมรรคผลได้ไหมไม่ได้ท่านบอกเลยไม่ได้ แต่ในพระคาถาข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำการถือเอาอนิจจารักษณะอย่างเดียวก็ด้วยอำนาจแห่งพระโยคีคือผู้ประกอบการขวนขวายในการพิภพาวนาเนี่ยนะผู้ที่อนิจจารักษณะเท่านั้นปรากฏชัดเจนดียิ่งคือไม่ใช่เขาไม่รู้ทุกขลักษณะไม่ใช่ไม่รู้อนัตตลักษณะเขารู้แต่ว่าอนิจจาักษณะเขาชัดชัดมากะนะเมื่อเทียบกับทุกขลักษณะและ อนัตตลักษณะอาการที่พิจารณาเห็นอ น, นิจจลักษณะมากๆ ก, ก็เป็นปัจจัยแห่งวิโมกเรียกว่าอ น, นิมิตตาวิโมกเหมือนนถ้าคนที่พิจารณาทุกคลักษณะมากมา ก, มากอนุปัสนานั้นก็เป็นปัจจัยแก่อัปะนิหิตาวิโมกคนที่มีอนัตานุปัสนามากๆก็เป็นปัจจัยแก่สุญญตะวิโมกเพราะฉะนั้นพระโยคีแม้นั้นก็ได้ กระทำลักษณะสองนอกนี้ให้แจมแจ้งพิจารณาแล้วบรรลุคุณวิเศษหาใช่อ น, นิจจาลักษณะอย่างเดียวไม่นะคือเจรณญอ น, นิจจานุปัสสนาอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุมรคนิพานได้คนที่พิจารณาอนุปัสสนาเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนาทุขานุปัสสนาอน้ตานุปัสสนา3มอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งให้คล่องแคล่วได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่รู้อย่างอื่นก็รู้ แต่ว่าไม่คล่องเท่ากับอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอนุปัสนาสเหล่านี้บริบูรณ์นิพพิธานุปัสสนาก็จะบริบูรณ์ได้ถ้านิพพิธานุปัสสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสสนาก็บริบูรณ์นะ น, นะถ้าอนิจจาทุกคานาตานิพพิธาวิราคาบริบูรณ์นิโรธานุปัสสนาก็จะบริบูรณ์ถ้าต้นต้นบริบูรณ์เท่าไหร่ปฏินิสาขาเป็นต้นก็จะบริบูรณ์ เพราะนั้นนิธานุปัสสนาเป็นต้นบริบูรณ์ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นไะอันนี้เป็นพระสูตรสูตรหนึ่งะนะนี่ก็มาจากคำว่าวิสุทธิมรรคเหมือนกันวิสุทธิมรรค ก, ก็บรรลุมรรคผลได้เหมือนกันนะถ้า<ๆ>อนุปัสสนานะ อนุปัสนาเนี่ยเป็นป harma ปริญญาตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปเรียกว่าอนิจจานุปัสนาถ้าหากว่ายังไม่ถึงพังคยานก็ไม่เรียกว่าอนิจจานุปัสนาอันนี้วิสุทธิมัติท่านกล่าวไว้อย่างนั้นอะไรเพราะฉะนั้นผ่านผ่านวิปัสสนูปกิเล์ไปแล้วจึงเรียกอนิจจานุปัสนาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปนะ สิกขานะีสิกขาต่อไปว่าบางสูตรทรงแสดงไว้โดยเกี่ยวกับฌานและปัญญาเอ๊สูตรแรกบอกวิปัสนาอย่างเดียวใช่ไหมพอสูตรที่สองบอกว่าฌานและปัญญาคือคําว่าฌานหมายถึงสมถะคาว่าปัญญาหมายถึงวิปัสนาเพราะฉะนั้นสมถาวิปัสนานั่นแหละเป็นวิสุทธิมัตตอันนี้ตามสูตรนี้นะ ทามว่าตามสูตรนี้นี่สูตรไหนคือสูตรจากคาถาธรรมบทนะคาถาธรรมบทในเล่มเดียวกันเหมือนกันนะคือเล่มสี่สิบสามเหมือนกันในเรื่องของพิขวัคาถานี้พระองค์ตรัสกับลูกศิษย์ของพระโสนกุติกณนีะนะ่ พระโสนกุติกะณะเนี่ยมีลูกศิษย์เก้าร้อรูปนะใน900รอรูปนั้นพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานร้อยรูปหนึ่งกรรมฐานเพราะฉะนั้นเก้าร้อรูปก็ให้กรรมฐานประมาณเกข้อเก้ากลุ่มใหญ่ๆทีนี้ในกลุ่มหนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ได้ให้กรรมฐานว่านะพระองค์ก็แสดงธรรมตามปัญญาสัยว่าฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ชาญและปัญญาย่อมมีในบุคคลใดบุคคลนั้นแลตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้พระนิพพานเนี่ยนะคำว่าชาญชาญในที่นี้นะชานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยนั้นตามธรรมประปัททักถาอตักถาของคาถาธรรมบทกล่าวว่านัตถิชานังคือความว่าเชื่อว่าชาญย่อมไม่มีแก่ผู้หาปัญญามิได้ ด้วยปัญญาเป็นเหตุพยายามอัยังฌานให้เกิดขึ้นถ้าคนไม่มีปัญญาศึกษาเรื่องฌานให้เข้าใจมันจะไปเจริญฌานได้ยังไงใช่ไหมจะไปเจริญส ม, มถะได้ยังไงถ้าไม่รู้เรื่องส ม, มถะเป็นอย่างดีความรู้ในเรื่องส ม, มถะเป็นอย่างดีนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจในส ม, มถะอย่างดีจึงทาให้เจริญส ม, มถะได้นั่นแหละ หมายความว่านี่กล่าวถึงปัญญาที่มันเป็นมหาคุณ ญ, ญาณสัมปยุตในสมถะอย่างเดียวนี่ไม่ได้หมายความถึงวิปัสสนาปัญญาเจนพรใช่ไม่ใช่สมาธิที่ใช่แต่ก็คําว่าฌานในที่นี้บางทีก็เอาแต่เป็นสมาธิิประเภทขั้นฌานฌานสมาธิฏิฌานะส ม, มาธิฏิใช่ไหมส ม, มาธิทฐิห้าสองบทว่านัตถิปัญญาความว่าก็ปัญญาซึ่งมีลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยว่า ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่เพ่ง น, นะคือคําว่าเพ่งเนี่ยนะเพ่งมีกี่อย่างสองอย่างนะลัคนูปนิสชาญกับอารามานูปนิสชา น, า น, น, ชานคนที่ไม่เจริญลัคนูปนิสชานและอารามานูปนิสชาญปัญญาจะเกิดได้อย่างไรนนะเพราะฉะนั้นชาญย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาก็ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีชาญ วันคนที่จะมีปัญญาได้คนนั้นจะต้องเพ่งทั้งสมถะและวิปัสนาฌานและปัญญามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นแหลอยู่ในที่ใกล้นิพพานก็บอกว่าคนที่ทำฌานให้เป็นบาตรเริ่มจเจริญวิปัสนาก็รทำวิปัสนานั่นแหละให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะเขาก็สา ม, มารถที่จะบรรลุมาผลนิพพานได้บทว่ายำเหีานนั้นจะปัญญาจากความว่า ฌานและปัญญาแม้ทั้งสองนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าตั้งอยู่แล้วในที่ใกล้แห่งพนิพานโดยแท้ทีเดียวเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนานั้นเป็นของคู่กันนะนะ พ, พ, พิขุวักนะในหน้าส7 7เจ็ด็ดนะเจนคาถานี่อยู่ในหน้าส7 7อเจ็บเจ็ดเรื่องสัมพหุะสัมภุละภิกษุ 377เจนพร อ, อันน่ะคือธรมรมบทมีสี่เล่มนะอยู่เล่มสุดท้ายเล่มสุดท้ายเรียกว่าเล่ม43คาถาธรรมบทนจะอยู่เล่มที่40 41 42และ43พราะคาถานี <h h ้เขาก็บรรลุมรคผลนิพพานเหมือนกันนะของเรานี่ก็ได้สัพทายแล้วไดอริยรัพสุตนะสุตเป็นรัพนะนะนะถ้าไม่เลือกรา ทีนี้สูตรต่อไปนะว่าในบางสูตรเนี่ยนะทรงแสดงไว้โดยเกี่ยวกับธรรมมีกรรมเป็นต้นคำว่าบางสูตรเนี่ยนะมีอยู่3มสูตรนะที่กล่าวว่าธรรมมีกรรมเป็นต้นก็คือในเชตวันสูตรสูตรหนึ่งในอนาถปิทีิกะสูตรสูตรหนึ่งอสองสูตรนี้อยู่ในสังยุตติกาย สคาทถวักเนี่ยน น, นะเชตวนาสูตรนะเชวต ว, วันสูตระนะกับอนาถปิทีิกะสูตรอันนี้ในสังยุตติกายนะในะอยู่ในเล่มยี่ี่ข้อหนึ่งสี่เจ็ดกับข้อสองเจ็สบห้านะมีอยู่สองข้อใหญ่ๆกัอีกแห่งหนึ่งนี่อยู่ในอนาถาปินทิ่โกวาทสูตรในเล่มยี่าคือในมัชฌิมนิกายอุปริปันธา มีอยู่สองแห่งกันนะคือพระองค์นี้ทรงแสดงวิสุทธิมรรคโดยเกี่ยวกับธรรมะมีกรรมเป็นต้นคือธรรมะหข้อนะห้าคำว่ากรรมวิ ช, ชาธรรมะศีลชีวิตที่อุดมสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดได้ด้วยธรรมะมีกรรมเป็นต้นนี้ไม่ใช่ด้วยโคดหรือด้วยซัพย์ความบริสุทธิ์เนี่ยนะคือพระนิพพานเนี่ยนะไม่ใช่จบับบรรลุได้ด้วยด้วยโคตอย่างนั้นเกิดมาตระกูลดีเลยทําให้บรรลุนิพพานเลยอันนี้ไม่ใช่ หรือมีทรัพย์มากและบรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่แต่บรรลุได้ด้วยธรรมะห้าอย่างนี้คือกรรมวิชาธรรมะศีลชีวิตที่อุดมคำว่ากรรมนั้นหมายถึงมรรคเจตนาคำว่ากรรมนะมรรคเจตนาคำว่าวิชาหมายถึงสัมมาทิฐิก็คือมรรคปัญญานั่นเองสัมมาทิฐินะคว่าธรรม ได้แก่อริยมรรคที่เหลือคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและก็ศีนคำว่าศีลนี้ก็คือสัมมาวาจากับสัมมากรรมันตะส่วนชีวิตที่อุดมก็ได้แก่สัมมาอาชีวะอันนี้นัยยะที่หนึ่งะอันนี้ขยายตามดีกาท่านอธิบายอย่างนั้นนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สองบอกว่าคําว่ากรรมได้แก่สัมมากรรมันตะ คำว่าวิชาได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะคำว่าธรรมะได้แก่สัมมาสมาธิสัมมาวายามะและสัมมาสตินะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเรียกว่าธรรมะศีลได้แก่สัมมาวาจากับสัมมาอาชีวะชีวิตที่อุดมก็คือชีวิตที่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนะชีวิตของผู้มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปด ก็ ค, คือสรุปแล้วอารยมรักษ์นะ<ม>คุยยังไงก็อารยมรักเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่ฉลาดในการยักย้ายเทศนา <ông. S 1> ที่จริงคํานี้เนี่ยทีแรกคนที่กล่าวคือานาถบินทิกะเทพปบุตรกล่าวาพระพุทธเจ้าก็กล่าวรับรองว่าคําพูดนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นคํานี้ก็เลยเป็นพุพทธพจน์เลยะนะถ้าพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องนี้ผมก็ตรัสอย่างนี้แหล ะ, ะนะแต่คนที่พูดทีแรกเลยคือานาถบินทิกะเทพบุตร อ่านย่าที่หนึ่งมตตนีนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่ ห, หกรรมได้แก่มรรคเจตนาะนะก็คือเจตนาที่เกิดร่วมกับอริยมรรคใช่ไหมเจตนาอันนี้เนี่ยเรียกว่าอะปายคาอาอาจจะยะคามิโนธรรม า, มาเนาีนะ่ยขามีอะไรเนี่ยในในติกะนี้เขาว่างไงนี อาจยคามินโนธรรมาอาปจัยคามินโนธรรมาเนวาจัยคามินโนานาปจัยคามินโนธรรมะคือธรรมที่ก่อและสังสมให้เกิดวิบากกรรมชรูปได้แก่กุศลและอกุศลเนี่ยนะก่อให้เกิดวิบากและกรรมชรูปธรรมะที่ไม่ก่อวิบากและกรรมชรูปก็คืออริยมรรคคือไม่ก่อวิบากกรรมชรูปที่เป็นทั่วไปนะแต่ก็ให้อริยผลอยู่แต่ก็ชื่อว่าไม่ก่อแลวก็ อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอัจจะยคามมโนธรรมะอัจจยคามีนั่นเองนะเป็นอัปจจยคามีธรรมะเป็นธรรมที่ไม่ก่อวัตตะว่า ง, งั้นเถอะอัอ้นคำว่ากรรมได้แก่มรรคเจตนาคำว่าวิชาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะที่เกิดร่วมกับอริยมรรคนะตรงนี้อย่าไปคิดลึกซึ้งนะคิดอริยมรรคอย่างเดียวจําคําว่ามรรคและเจตสิกที่ประกอบก็วนๆอยู่แถวนั้นอนะไม่ได้ไปไหนหรอก คำว่าธรรมโมธรมโมก็คืออริยมรรคที่เหลือจากที่กล่าวไปแล้วก็ได้แก่สัมมาสังกัปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนศีหลังศีนสีลได้แก่สัมมาวาจากับสัมมากรรมันตะสองอย่างส่วนชีวิตอนุดมได้แก่สัมมาชีวะเนี่ยนะสีนกับชีวิตอนุดมก็ได้แก่วีรติสามนั่นเองนี่ใย่ที่หนึ่งนะ ในยะที่สองบอกว่ากรก ร, รมได้แก่สัมมากรมมันตาก็คือเจตสิกะนะเจตสิกสีนที่เป็นสัมมากรรมมันตาเจตสิกะแล้วก็วิชาได้แก่สัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะธรรมะได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนศีได้แก่สัมมาวาจากับสัมมาอชีวะเพราะว่าสัมมากรมมันตาอยู่ที่กรรมอยู่แล้ว แล้วก็ชีวิตที่อุดมชีวิตอนอุดมไม่แก่อริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์แปดโอ้สูงสุดจริงๆนะชีวิตขนาดนี้เลยนะโอ้ไม่น่าเราเลยนับถือเลยพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้วันนี้เราก็นับถือว่าพุทธังสรารนังคฉามิอารยมรักเหล่านี้ก็เป็นธรรมังสรารนังคฉามิที่เรานับถือนะพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามนี้บรรลุอริยคุณเหล่านี้สังฆังสรนังคชามิโอถึงไตสรสารณคมกันยังดี ลืกซึ่งหมดนะ